ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อตัมโฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเรามาทำสมาธิเรามาทำจิตให้มีความสงบกันในรายการธรรมรับรุนช่วงจิตตะวิเวในวันนี้เรามาฝึก ปฏิบัติทำร่วมกันสักประมาณ60นาทีธรบุฟังให้เรามากำหนดรู้ให้เรามาสร้างความรอบรู้พัฒนาปัญญาทำจิตของเราให้มีความสงบวันนี้เรามาให้เกิดความรู้ในเรียสัตว์เจาะจงลงมาเรื่องของทุกข์ในทุกขสัญญา ทุกขังเรียสัจจังปริญเยยังความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกนั้นเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เราจะกำหนดรู้ความทุกรอบรู้เรื่องทุกทำปัญญาให้เข้าใจในทุกได้อย่างไรเริ่มต้น้วยการมาตั้งสติของเราไว้ตั้หวัง ให้สติของเราอยู่ในกายหมายถึงจิต ท, ที่จะไปทำหน้าที่ในการรับรู้สิ่งต่างๆเสียง่านทั้งหูรูปบาน่างๆความคิดนึกนั่นนี่ให้จิตของเรานั้นอยู่ในกรอบขอบของผิวหนังมีพื้นเท้าเป็นเบื้องล่างมีสีสะปลายผมเป็นที่สุด มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบให้จิตของเราอยู่ในกายนี้ไม่ให้ออกนอกกรอบขอบของกายนี้จิตเป็นนามนะท่านผู้ฟังจิตเป็นนามไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะส่งไปตามเสียงมาจากภายนอกกลิ่นมาจากภายนอกแม้แต่เรื่องเวลาอาดีตนี่มันยังไปได้เลยอนาคตมันยังไปได้เลย ถึงเรื่องอดีตคิดถึงเรื่องอนาคตไปได้หมดจิตนี่นะที่ว่ามันไปมันไปเนี่ยคือมันเพลินไปเพลินไปตามเสียงภายนอกเพลินไปตามกลิ่นภายนอกเพลินไปตามรูปภายนอกหรือเพลินไปตามความคิดคิดเรื่องอดีตพุ่มมันก็ไปอดีตเลยคิดเรื่องอนาคตพุ่มมันก็ไปอนาคตเลยในที่นี้ถ้าเราต้องการรักษาจิตของเราให้อยู่ในกรอบขอบของผิวหนัง เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเราจะให้เกิดปัญญาไงเพื่อที่จะให้มารอบรู้เรื่องทุกพัฒนาปัญญาของเราให้เกิดขึ้นได้จะฝึกจิตให้เกิดปัญญาต้องจับให้มันนิ่งๆสก่อนเหมือนจะฝึกช้างมา้าวัวหรือสุนัขกตามจะฝึกแมวอย่างนี้ จะฝึกหมาอย่างนี้ให้มันรู้ความได้ก็ต้องให้มันนิ่งๆส ก, ก่อนแต่มันยังวิ่งวุ่นถอยหน้าถอยหลังเห่าร้องอะไรไม่เป็นท่านี่ไม่ได้นะมันจะไม่รู้เรื่องเลยจิตเรานี้ก็เหมือนกันทุบฟังแต่บอกว่ายังจะถอยหน้าถอยหลังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาใหม่อาไม่อย่างน้อยให้รู้จักแยกแยะ ไอ้ความที่จิตถ้ามันเพลินไปไนี่แหละที่มันจะไปเผลนไปตามเสียงปุ๊บมันออกนอกกรอบหูแล้วเผลนไปตามสัมผัสทางกายปุ๊บมันออกนอกผิวหนังแล้วเลินไปตามความคิดอดีตอนาคตมันออกนอกปัจจุบันแล้วในที่นี้คืออย่าเพลินสิ่งที่จะตรงข้ามกับความเพลินจะตัดอำนาจลดทอนกาลังของความเพลินความเผลอ ก็คือไม่เพลินไม่เผลอนี่ไม่ได้กวนนะไม่เพลินไม่เผลอก็ตรงข้ามกับเพลินกับเผลอถูกไล่ะไม่เพลินไม่เผลอคืออะไรอธิบายอีกในย่าหนึ่งนั่นก็คือมีสตินั่นเองสติคือความรู้ได้คือไม่เผลอแค่ว่าเรามีสติจตวรรังมันเป็นการแยกแยะทันทีทําไมเอาการรับรู้ไง จิตเราไปทำหน้าที่ในการรับรู้นี่มันธรรมชาติเลยมันธรรมดาเลยมีเสียงเข้าหูทำใ้ฟังอ่ะยังไงเราก็ได้ยินจิตยังไงเราก็รับรู้เอาถ้ า, างั้นก็คือออกนอกกรอบก่อของปิวญาณก็ได้ถ้าได้ยินอะไรก็ตามจะออกก็ต่อเมื่อมันเพลินไงแต่ถ้าได้ยินคือมีการรับรู้ใช่ไหมแต่ไม่เพลินเออนี่ต่างหากมีความคิดนึกเกิดขึ้นในช่องทางใจรู้จะห้ามไม่ให้คิดเนี่ย มันจะเป็นประสาดได้มันจะเครียดมันจะปวดท้ายทอยเนี่ยแล้วก็ลา ม, มาที่หว่างคิ้วเพราะว่าจะเราบังคับเราฝืนจะบังคับความคิดเนี่ยไม่ได้หรอกไม่ใช่ว่าไปบังคับไม่ให้คิดหรือไปบังคับให้คิดแต่ถ้ามีความคิดมาเราไม่เปลิญหรือไม่ใช่ว่าโห้ฉันจะต้องเอาอะไรมาอุดหูหรือว่าจะต้องเห็นสิ่งดีๆเงี้งไปรีซอ หรือก็เปิดแอร์เย็นๆใครทําเสียงอะไรรบกวนไม่ได้นะเอาอะไรโมุดหูเนี่ยเราไม่ได้ไปป้องกันสิ่งเหล่านั้นตัวฟังเสียง้าพอะไรมันก็มีเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วใช่ล่ะเราไม่ได้ไปบังคับแม้แต่ความคิจ ด, ด้วยซ้ำก็ตามแต่พอเราได้รับรู้สิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วจะไม่ให้จิตของเราออกนอกกรอบขอบของผิวหนังคือ ไม่เปลินไปตามสิ่งเหล่านั้นรับรู้แต่ไม่เปลินนี่มันแยกแยะทันทีไม่เปลินด้วยการมีสติสติจึงเป็นการแยกจิตของเราออกจากการรับรู้คือวิญญาณออกจากภาพเสียงสิ่งที่เข้าไปรับรู้นั้นทันทีก่อนหน้านั้นที่มันไม่แยกเนเพราะว่าเป็นธรรมชาติของจิตเราที่จะไหลไปตามอารมณ์เป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วเหมือนน้า ถ้าในที่ที่มีแรงดึงดูดมันก็จะไหลลงสู่ที่ต่ำเป็นธรรมดาเหมือนลมหมายถึงอากาศมันก็จะไหลจากที่มีความกดอากาศสูงไปที่มีความกดอากาศตำ่ำมันก็เป็นลมถ้าอากาศที่มันเคลื่อนไปนะั้นมันพาความร้อนไปด้วยก็เป็นลมร้อนแต่มันพาความเย็นไปด้วยก็เป็นความเย็นอุณหภูมิหรือความดันก็มีผล ต่อความกดอากาศยังรวมถึงถ้าพาฝุน่นป้ายเกะเป็นลมมีฝุน่นลมไม่มีฝุ่นไปแบบนั้นพูดมาถึงจุดนี้ต้องการจะซื่อว่ามันเป็นธรรมชาติของจิตตรรมฟังที่มันจะไหลไปตามอารมณ์ไปตามความคิดนึกไปตามเสียงอะไรมีมาเหมือนจะไปเราแค่สังเกตให้ดีก็แยกแยะให้ได้ว่าอะไรเป็นอะไร อะไรที่มันเป็นธรรมชาติของมันเป็นสิ่งภายนอกก็ให้มันเป็นธรรมชาติก็มันไปอะไรที่เป็นการรับรู้ภายในก็ให้มันคงที่คงตัวไว้สติธรรมฝังจึงเป็นตัวแยกแยะสติอยู่ในกายเรามาระลึกถึงในกายนี้ของเราระลึกถึงยังไงเพื่อในกายนี้ของเรามันเป็นยังไงมันเป็นก้อนทุก เอาตรงธรรมะในกายนี้ก็ชื่อเป็นการเห็นกายเหมือนกันเป็นการเห็นกายด้วยเป็นการเห็นธรรมะด้วยในกายนี้ท่วังก็จะใไหมว่าแง่มุมในการมองที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไวน้มีหลายแงย่หลายมุมเหมือนชิ้นสิ่งของชิ้นหนึ่งเราจะมองจากด้านหน้าก็ได้จากด้านข้างก็ได้จากด้านหลังก็ได้ เราเห็นคนคนหนึ่งเรามองจากด้านข้างเขาก็เป็นอย่างนี้จากด้านหลังเขาก็เป็นอย่างนี้จากด้านหน้าเขาก็เป็นอย่างนี้มันดูจากมุมไหนก็ได้ไงก็ เ, เห็นคนคนนี้เหมือนกันจากด้านไหนตันนั้นเองในที่นี้ให้จิตของเราอยู่ในกายดูกายของเรานี้จากแง่มุมของธรรมะโดยความที่เป็นทุกข์เป็นสิ่งที่อยู่ในสภาพที่ถูก บีบคันทุกหมายถึงความที่ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากเพราะความที่มันถูกบีบคันความถูกบีบคันให้พิจารณาเห็นธรรมะข้อนี้ในกายจิตที่มาระลึกถึงคิดถึงพิจารณาอย่างเนี้ยคือมีสติเอานั่นมันต่างกันกันกนกบ ความคิดอื่นๆทั่วๆไปที่อยู่ในใจของเรายัางไงต่างกันตรงที่ว่าทุกอย่างเลยนะทูฟังเมืว่าจะความคิดเรื่องธรรมะความคิดเรื่องงานความคิดเรื่องคู่ครองรความคิดเรื่องอาหารสิ่งแวดล้อมการเมืองหรือว่าดนตรีอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะมีอารมณ์ที่มากันกับด้วยัาษะเหล่านั้นเสมอมีภาษาแล้วก็มีเวทนาไงเวทนาคือความรู้สึกก็ไม่้เรามีอารมณ์ ที่จะมาตามความรู้สึกความรู้สึกมาตามผัสสะเหล่านั้นไออารมณ์ที่มานี่แหละสมานผู้ฟังที่จะทาให้จิตองเราเพลินไปตามนั้นตัวนี้บางอย่างมันก็มีผัสสะแรงผัสสะน้อยบางอย่างมันก็ทําให้เกิดความเพลินน้อยเกิดความเพลินมากเพิ่มความเพลินหรือลดความเพลินตรงนี้ต่างหากที่มีความสาคัญสิ่งที่จะทาให้เราเพลินมากขึ้นสิ่งที่จะทำให้เรา เพิ่มความกำหนัดยินดีความโกรธความไม่เข้าใจโอ๊ะโอ๊ะอันนั้นอย่าไปยุ่งโดยมากแต่ไปยุ่งแบบนั้นก็เป็นมิจฉาสติไงเป็นมิจฉาสติเป็นมิจฉ า, าสมาที่เป็นกิเลส ท, ที่เพิ่มขึ้นด้วยความที่มันเป็นมิจฉาตามตามเป็นมาสตินี่ไม่ใช่ว่บดีหมดนะทุหวังมิจฉาสตินี่ก็มีนะเช่นว่าถ้าเราไประลึกถึงเรื่องที่ทาให้กลุ่มใจไม่พอใจเครียด คนเป็นซึมเศร้าไม่ใช่ว่าไม่มีสตินะแต่มีมิจฉาสติเดินไประลึกถึงเรื่องที่มันไม่ดีเรื่องที่ทํำไม่พอใจเรื่องที่ทำไมำ่กลุ่มใจนึกถึงอยู่เรื่อยนึกถึงอยู่เรื่อยจิตก็เศร้าหมองลงเศร้าหมองลงมิจฉาสติเลยก็เลยทำให้เกิดมิจฉาสมาธิสรางสมาธิที่หดหู่ตามขึ้นมาใครจะพูดอะไรยังไงโอ้ช่วยไม่ได้บางทีบางคนถึงขนาดว่าข่าตัวตาย เอาเราจะตั้งสติให้เป็นแบบสัมมาสตินาะให้ไม่ไปตามอารมณ์ไงหมายถึง ไ, ไงนะความเพลินต้องลดลงที่จะเพลินไปตามกระบวนการความคิดที่จะให้เกิดกิเลสไปตามอารมณ์ให้เกิดราคะโทสะหรือโมหันั่นนะ่ะต้องเบาบางลงเราคิดเรื่องอะไระท่านาก็นี่ไงกำลังพูดอยู่เห็นทุกในกายนี้กายเราเอากายขึ้นมาตั้งไว้ กายเรานี่ปลายผมถึงพื้นเท้ามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเสียงไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินนะได้ยินอยู่ความคิดอื่นมีมาไหมมีแต่ก็คิดถึงพิจารณาไปตามอย่างนี้ด้วยอย่างนี้คืออย่างไงว่ากายของเรานี้มีสภาพที่มันบีบขันหมายถึงทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยาก เอาง่ายๆเรานั่งอยู่บนโลกนี่มันมีความกดอากาศมีความดันไม่งั้นทุกอย่างมันก็ลอยขึ้นเว้งว้างไปหมดแล้วแต่ความดันความกดอากาศมก็จะแรงดึงดูดเออเนี่ยถูกบีบแล้วนี่แรงดึงดูดของโลกเราอยู่ประมาณนี้เรางรู้สึกโอเคถ้าคุณไปแรงดึงดูดที่ดวงอาทิตย์อ่ะโอ้แรงดึงดูดมากหรือพื้นที่ที่มีแรงดึงดูดน้อยเช่นดวงจันทร์ หรือดาวังคารแรงดึงดูดน้อยความที่ถูกบีบคันมันก็น้อยแต่ลักษณะที่ถูกบีบคันนี่ที่มีเงืรร่อนไขปัจจัยนี่มีอะไรที่มันมากระทํากันได้นี่นี่คือลักษณะที่เป็นทุกกายของเราก้อนนี้มีสวาวะที่ถูกบีบกันแม้อยู่เฉยเฉยก็ตามนะอยู่เฉยเฉยคุณขับรถไปนั่งไปกินกาแฟไปด้วยฟังเพลงไปด้วย นี่นก็สบายดีอยู่นะไม่เป็นทุกข์อะไรนี่ท่านเราเกิดจะทาให้เข้าใจไปถึงว่าอ้าวถ้าเกิดลงรถมาแล้วก็ดันปิดประตูประตูหนีบมือโอ้เนี่ยจึงก็เป็นทุกข์ตะกี้ไม่มีทุกข์เป็นสุขอยู่ตอนนี้ถูกประตูหนีบมือเป็นทุกข์แล้วน้อเข้าใจอย่างนี้ยังผิวเผิดมากเลยตั้งบุฟังยังไม่ได้เกิดปัญญา ในการรอบรู้เข้าใจทุกจริงๆสภาวะที่เป็นทุกข์นี่ไม่ใช่ว่าทุกขเวทนาทุกขเวทนาที่เกิดจากประตูหนีบมือนังเกิดเป็นทุกข์ที่ปรากฏเห็นได้ชัดเป็นทุกข์ที่ระหัตทนได้ยากแต่สภาวะทุกข์หรือสภาวะที่มันบีบกันนั้นไม่ใช่แค่ทุกขเวทนาอย่างเดียวทุกขเวทนาเนี่ยมันเห็นได้ชัด แนนอนมนก็จึงเรียกว่าทุกช์ใช่ไหมแต่สภาวะที่บีบคั้นอย่างอื่นที่เห็นได้ไม่ชัดเหมือนทุกขเวทนาเช่นสุขเวทนาก็ใช่เช่นอทุกขมสุขเวทนาก็ใช่เช่นรถยนต์นี่ก็ใช่อาหารนี่ก็ใช่เสียงนี่ก็ใช่เป็นสภาวะที่มีการบีบคัน้นหมายถึงมันมีเงื่อนไขปัจจัยของมันปรุงแต่งกันมา ให้มันเป็นอยู่อย่างนี้บางอย่างเห็นได้ไม่ชัดเจนเช่นสุขเวทนาเป็นต้นบางอย่างเห็นได้ชัดเจนเช่นเวลาเรามีทุกขเบทนาเป็นต้นเราจะเห็นทุกได้ชัดเจนเพราะมันแรงเพราะมันแจ่มแจ้งขึ้นมาเพราะว่าเราไม่ชอบอะไรที่เราไม่ชอบเราก็เห็นได้ชัดเจนอะไรที่เราชอบเราก็จึงเห็นได้ไม่ชัดเจน ไอ้ความชอบความไม่ชอบที่ทำใหเรางงๆเหมือนๆนี่แหละมาฟังมันจึงทำให้เราตกอยู่ในสภาวะที่เป็นทุกเองถูกบีบคั้นเองเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นเองเอาหินมาวางไว้บนหัวแล้วจะบอกว่าหนักบนเพื่ออะไรอะ่ะก็ถือเองเปล่ะเอาเอาไมเเเ่เดี๋ยวไงนะทำไมเอาหินมาวางไว้บนหัวได้ตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะความเปลิอ เอาเกิดตอนไหนนี่เดี๋ยวเรื่องนี้สำคัญดินี่พูดมาสั้นๆนี่แต่ว่าสำคัญมากนะเราเอาทุกมาเป็นมาเป็นตัวเราได้ตั้งแต่เมื่อไรไอ้สิ่งที่มีสภาวะบีบคั้นนี่ทนบอกว่าประตูหนีบมือมันก็เจ็บก็ก็ธรรมดาใช่ไหมล่ะเราก็รู้สึกเจ็บมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากทุกข์ก็อย่าให้ประตูหนีบมือ มันไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่านี่คือแค่พูดถึงทุกขเวทนาเฉยมันยังมีอย่างอื่นที่มันมีสภาวะที่บีบขันที่ไม่ใช่ทุกขเวทนาด้วยแก้ปัญหาด้วยการไม่ให้ประตูหนีบมือมันไม่ได้จะแก้เรื่องทุกได้มันก็แก้ได้เฉพาะว่าประตูไม่หนีบมือเฉยแต่ทุกมันยังมีอยู่เพราะมันยังตกอยู่ในสภาวะที่ถูกบีบขันอยู่ยังไงวิธีการแก้ปัญหาก็คือว่าอย่าให้ตัวเราเนี่ย ตกไปอยู่ในสภาวะที่ถูกบีบคันนั้นแล้วไอ้สภาวะที่ถูกบีบคันนั้นเนี่ยมันมาได้ยังไงเราตกไปอยู่มันตอนไหนมันเกิดขึ้นยังไงดิจึงกาลังบอกว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะความเพลินเพลินตอนไหนเอินบอกไว้อย่างนี้ทูฟังบอกว่าเวลาที่เราทำอะไรสักอย่างแดงหนึ่งตั้งแต่เราเป็นเด็กมานะไม่ต้องพูดถึงชาติที่แล้วชาติก่อนหรืออะไร เราก็ไม่ต้องพูดถึงตอนที่จำความไม่ได้ด้วยซ้าเอาตอนที่จำความได้ก็ไม่ต้องเอานานด้วยซ้าเอาเมื่อวานนี้ก็พอก็เมื่อาวานนี้ยังนานไปเอาเมื่อเช้านี้ก็พอวันนี้คุณทำอะไรมาแล้วบ้างก็ไม่รู้แหละทำอะไรมากกนนินบ้างเดินบ้างอะไรบ้างทำอะไรมาก็ตามแล้วเกิดความทุกข์หรือความสุขขึ้นเพราะเราเกิดความทุกข์แล้วเราไม่พอใจหรือเกิดความสุข แล้วเราพอใจใช่ป่ะสุขทุกข์แล้วเราพอใจแล้วเราไม่พอใจเนี่ยความพอใจทั้งที่ไม่และความพอใจทั้งที่ใช่คือไม่พอใจนี่ก็คือพอใจนั่นแหละแต่พอใจแบบติดลบไงทั้งสองอย่างเนี่ยคือความเพลินความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุ ป, ปาทานหมายถึงความยึดถือยึดถือแล้วก็คือเอามาเป็นตัวเราของเรา แล้วความเคยชินนี่นะเพราะมันสร้างสะสมทับถมเนี่ยมันรวดเร็วมากทำให้บางทีเรายิ่งสังเกตยากจนหว่าเมื่อเช้านี้หรือเมื่อวานนี้มันมาจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วอาทิตย์ที่แล้วมันมาจากเมื่อเดือนที่แล้วแล้วเดือนที่แล้วมมาจากเมื่อปีที่แล้วแล้วปีที่แล้วมันมาจากเมื่อสิบปีที่แล้วแล้วมันสะสมสะสมมาเนี่ยทำให้เรามีความเคยชินความพอใจไปอย่างนี้ไอีพอใจกับความไม่พอใจ ในลักษณะที่ใช่ความพอใจในลักษณะที่ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้ถูกสั่งสมทับถมกันมาทำไม่มีความเคยชินแบบนี้เคยชินแบบนี้ความเคยชินเนี่ยพูดเป็นภาษาไทยนะหมายถึงมาจากสับที่ท่านอาธิบายโดยใช้คาว่าอาสวะความเพลินเนี่ยพูดเป็นภาษาไทยนะมาจากสับที่ท่านอาธิบายใช่ว่านั้นที่ความยึดถือ ที่เราหลังจากเพลือแล้วเราก็จึงยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยมาจากสัพท์ที่ท่านใช้ว่าอุ ป, ปาทานยึดถือแล้วก็จึงคิดว่าทุกเนี่ยเป็นของเราขึ้นมาทันทีพะเราเห็นว่าอะไรเป็นของเราเราจะแก้ปัญหาผิดวิธีเพราะว่าอะไรปัญญามันเจ้ามองไปแล้วตอนใดตอนไหนเปลือนั่นไงมิ่นถือทันทีเราจะไปตัดอะไรขาดไม่ขาด แก้ปัญหาประตูหนีบมือก็โดยไม่ให้ประตูมันหนีบมือเอาอยางมาใส่เอาไว้เอาอะไรมาใส่เอาไว้แก้ปัญหาไม่ถูกเพราะว่ามื อ, อยังไงมันอยู่ในสปาวะที่ถูกบีบคันอยู่แล้วเราเอาสปาบาบีบคันนั่นมาเป็นของเราเราจึงทุกเองเราจึงมีปัญหาเองแล้วถ้าจะแก้ปัญหาไม่ถูกจุดโดยปัญญาที่ไม่แจ่มชัดโดยก็ป้องกันอย่าให้มันมีทุก อยู่เผินโดยการไม่ให้ประตูหนีมือเป็นต้นแก่ปัญหาไม่ถูกเพระอะไรก็เพราะสภาพบีบคั้นนี้มันก็ยังเป็นตัวเราเป็นของเราอยู่ดีมันจะปรากฏให้เราเห็นแจ่มชัดเหมือนประตูหนีบมือหรือไม่เท่านั้นเองเป็นระเบิดเวลาทั้งวันที่ยังไงมันมาแน่ก็คือวันที่เราจะตายนี่ไงยังไงมันถูกบีบคั้นจนไม่เหลืออะไรซากก็ไม่เหลือเหลือร่างเอาไว้ใช่ไหม ก็เอาไปฝังหรือเผาหรือแต่โครงกระดูกหรือแต่เท่ากระดูกหรือแม้แต่เท่านั้นก็เป็นฝุ่นผงกระจายไปถูกพัดไปตามกระแสลมที่พัดแรงหรือถูกน้ำที่มีกระแสเชี่ยวจัดพัดไปได้ไม่เหลือแม้แต่ซากมันบีบคั้นกันปานนี้นะถ้าเราบอกว่าแค่ประตูหนีบแล้วคุณป้องกันประตูหนีบไปเฉย ระเบิดเวลาแล้วนะ่มันรอวันที่จะสลายไปหมดทุกสิ่งอย่างสภาวะบีบคั้นนี้มีอยู่ตลอดไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เกิดทุกขเวทนามีประตูหนีดมือเป็นต้นวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องในที่นี้ท่านจึงจบอกปากกันก็อย่าให้เราไปอยู่ในสภาวะที่ถูกบีบคั้นนั้นสิ อย่าให้เราไปอยู่ในสภาวะที่ถูกบีบขั้นนั้นมองผิวเปินก็จะเหมือนกอับใครวะก็อย่าให้ประตูนี่มืออย่าหมละไม่ใช่เราไปอยู่ในสภาวะสภาวะนี่คือความอะไรคือความเป็นภพไอจังหวัดที่เราเพลินไปเนี่ยนะพอใจแบบที่ใช่กับพอใจแบบที่ไม่ใช่ไหมเพลินไปแล้วเนี่ยคือตัณหาความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปทานตระหาอุปทานมาด้วยอุปทานแล้วมันมีการก้าวลงไปทันที สิ่งนั้นจะเป็นสภาวะหมายถึงพบที่เรารู้สึกว่านี่เป็นตัวเราของเราทันทีทางแก้คือก็อย่าให้เราไปอยู่ในสภาวะที่ถูกบีบคันนั้นหนึ่งคือพบใช่ไหมจะให้ไม่มีพบได้ก็ต้องอย่าไปยึดถือคืออุปาทานจะไม่ให้ไปยึดถือได้ก็อย่าไปเพลินอย่าไปเพลินอย่าไปอยากคืออย่าไปพอใจหรืออย่าไปไม่พอใจ อย่าไปพอใจหรืออย่าไปไม่พอใจในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราพอใจก็มักจะเกิดขึ้นกับสิ่งที่เป็นสุขเวทนาพอใจแบบไม่ก็มักจะเกิดขึ้นกับทุกขเวทนาทึ่หลวพระเจ้าบอกว่ามักจะนี่นะคือเพราะว่าบางคนมันชอบเจ็บๆก็มีไงทุกขเวทนาแล้วฉันพอใจเออบบางคนก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยพวกสาดิตอย่างนี้นะ หรือความทุกข์ของคนอื่นเออคุณพอใจความทุกข์ของตัวเองเออคุณพอใจแบบไม่เออบางคนก็มีความพอใจเป็นลักษณะแบบนั้นแต่มันก็ยังมีความพอใจความเพลินไปอยู่ดีทั้งที่แบบใช่และแบบไม่เราจะไม่ให้เกิดความพอใจคำว่าไม่ให้เกิดความพอใจนี่คือไม่ใช่ว่าไม่พอใจนะทุวฝังเราใช้ภาษาให้มันรัด ก, กุมนิดหนึ่ง ความไม่พอใจไปทั้งสิ่งที่ใช่และไม่พอใจไปในทั้งสิ่งที่ไม่ก็คือไม่พอใจไม่ไม่พอใจเออฟังเข้าใจไหมจะแยกแยะได้สติต้องตั้งมั่นนะตัวฟังสติใกล้กุหรวนตามสติที่ใกล้กรวนตามเนี่คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานการเห็นธรรมในธรรมเห็นธรรมในไหน เขากายเรานี่ยแหละเห็นทํารมะในกายก็เป็นการเห็นกายในกายไงจิตเราไม่ได้ออกนอกกรอบกรอบของผิวหนังแต่ใคร้กรุนความจริงอยู่นั้นขณะนี้ก็เป็นการเห็นธรรมในธรรมสติก็เกิดขึ้นนี่แหละสติคือความระลึกได้ที่เราใคร้กรุนต่อสิ่งในสิ่งหนึ่งอยู่ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ได้มีความคิดถึงบ่านมาเสียงบ่านมาหรือกลิ่นหรือคนเดินผ่านมา เราก็เห็นได้ยินอยู่แต่เราไม่เปลินไปตามสิ่งนั้นสติแบบนี้เป็นลักษณะการแยกแยะแล้วสติที่บอกว่าตรงข้ามกับความเพลินเนี่ยนะั้นฝังความเพลินความพอใจที่มันทับถมสะสมจนเป็นอาสวะมันลึกล้ําเนี่ยสติจะแก้ตรงนี้มันก็ต้องลึกล้ําตามกันไปก็จะหมายที่พูดมาตั้งแต่แรกเนี่ยเป็นสติแบบว่า ท, วทั่วไปผิวเผินสังเกตดู แยกแยกให้ออกก็เท่านั้นเองแต่สติที่ลึกซึ้งลงไปมีกำลังมากขึ้นมีกาลังมากขึ้นมันก็คือปัญญาเวลาที่เราจะแยกพูดว่าสติเนี่ยก็จะแยกออกเป็นสมถะคือความนิ่งแล้วก็วิปัสสนาคือความคมจะแยกพูดออกได้สองส่วนหรือถ้าจะแยกพูดละเอียดต่อไปอีกก็เป็นศีลสมาธิและปัญญาสามส่วน หรือถ้าจะแยกแจกให้มันละเอียดต่อไปอีกก็จะมีองค์ประกอบแปดอย่างที่ประเสริฐมัดรวมกันเข้าเป็นหนึ่งก็จึงเรียกเป็นทางเอกทางเดียวเป็นทางสายเอกที่มีองค์ประกอบแปดอย่างศีลคือสัมมาวาจาสัมมากมรมตัสัมมาอาชีวะสมาธิคือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิปัญญาคือ สัมมาทิฏฐิสมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิที่เป็นปัญญามันก็มีขั้นพื้นฐานคือรู้ดีรู้ชั่วแยกแยะได้ก็เท่านั้นก็เหมือนสติขั้นพื้นฐานสัมมาทิฏฐิชนิดลึกซึ้งคือเห็นตามบริยสัตวสก็คือสติที่เป็นปัญญาแล้วจากแดอย่างรวมกันเข้าเหลือสามอย่างคือศีลสมาธิปัญญาจากสามอย่าง รวมกันเข้าเหลือสองอย่างคือสมถวิปัสนาจากสองอย่างรวมเหลืออย่างเดียวเข้มเข้มของขอ ง, ของหนาแน่นสูงนั่นคือสติสติที่ผิวเปินทั่วไปเราตั้งสติขึ้นตั้งสติขึ้นเนี่ยคือคุณรู้จักแยกแยะสติที่ลึกซึ้งพอมีกำลังมากรู้จากแยกแยะจิตสงบเป็นอรมณเดียว มันคือส่วนที่เรียกวิสมาธิใช่ไหมพอเราไม่เพลินเนี่มันเริ่มดีดออกทันทีเป็นอัตโนมัติความที่มันดีดออกได้แัดออกได้นี่มันคือลักษณะของปัญญาที่อยู่ในสติของเราเนี่ยแหละก็จึงเรียกรวมกันง่ายๆสั้นๆว่าสติปัญญาชื่อที่ถูกเ้าควรจะเป็นคือสมถวิปัสสนาอยู่ในสติของเราที่เราตั้งไว้ โดยการพิจารณาธรรมะนี่แหละพอเราพิจารณาธรรมะจิตมันอยู่ที่นี่ใช่ไหมะระลึกได้ถึงธรรมะข้อนี้นั่นเป็นสติแล้วเลยไอ้ธรรมะข้อนี้ที่คุณกูไรกู้รนอยู่ถ้าไม่กู้เห็นตามความเป็นจริงสติก็ตั้งมั่นขึ้นอันนั้นเป็นปัญญาแล้วเลยปัญญาเกิดขึ้นตรงไหนตรงที่มันยึดถือ น, นั่นแหละทําไมให้เกิดขึ้นได้เพราะเราไม่เปลินไงไม่เปลินพระอะไรเรามีสติอยู่ไงระลึกถึงอะไร ราลึกถึงเรื่องที่ใครีกลัวนี้แหละพอเราลึกถึงแล้วเกิดการเครียดกลัวแล้วมีสติแล้วไอ้ความยึดถือมันมันลดลงทันทีไงลดลงทันทีนั่นเพรายปัญญาไงไอ้ความที่มันไม่ยึดได้เนี่ยมันตัดออกได้ทันเรียอว่ามันคือปัญญาปัญญาก็เกิดตรงที่เรามีสติสติมีกําลังมันก็คือสมาธินั่นเองสมถธาวิปัสสนาเนี่ยมันจึงต้องเคียงคู่กันไปต้งมาฟัง อยู่ที่ว่าแค่ว่าจะเอาอะไรนําอะไรเท่านั้นเองแต่มันต้องคู่กันไปบางทีเอาวิปัสสนานาอย่างที่เราว่ากันมานี้บางทีเอาสมาถะนําอย่างที่เราเคยฝึกทากันมาหรือเอาเคียงคู่กันไปก็ได้ได้หมดทุกรูปแบบประเด็นสำํำคัญก็ตรงนี้ต้องระวงว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในสภาวะที่ถูกบีบคันแล้วตนน่างจาที่ว่าเรานั่งอยู่เฉยๆนี่แหละนะไม่ได้มีทุกเวทนา เราจะทำอย่างไรให้เราไม่ไปอยู่ในสภาวะที่ถูกบีบขันนั้นที่เราไปอยู่ในสภาวะที่ถูกบีบคันนั้นได้เพราะอะไรเพราะเพลินมาตั้งแต่ก่อนแล้วท่านเรียกรวมโรงนี้ว่าคือตัณหาเราจะไม่ให้ไปอยู่ในสภาวะนั้นที่ถูกบีบขันนั้นก็คืออย่ามีตัณหา ในสิ่งที่มันเป็นทุกข์นั้นนั่นแหละท่านจึงประกาศไว้ในกันเทศกันแรกเลยที่ปาอิสิปัตนะมรุกะทายวันบอกว่าเหตุของความทุกข์คือทุกขสมุทัยเนี่มันคือตัณหาสภาวะที่มันหูกบีบคั้นมันเกิดขึ้นได้พระตัณหานี้เป็นความจริงอันประเสริฐ อ, อริยสัจไม่ใช่ความจริงทั่วๆวไปที่เป็นข้อเท็จจริงแต่เป็นความจริงที่เป็นจริงๆเลยเนะ่ยเป็นความจริงที่สมบูรณ์เป็น t r u t เป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับทุกคนไม่ใช่เฉพาะบางสิ่งบางอย่างหรือบางกรณีหรือเป็นความจริงที่เปลี่ยนแปลงได้ความจริงที่แน่นอนแบบเนี้ยเราจะบอกว่าเที่ยงเนี่ยเราไม่ใช้คํานั้น เราเรียกว่าความจริงอันประเสริฐคืออริยสัจในความจริงอันประเสริฐคืออริยสัจนั้นเหตุของความทุกข์คือตัณหาในความจริงอันประเสริฐคืออริยสัจนั้นตัวทุกข์คือตัวขันหา้าหมายถึงสิ่งที่มันถูกบีบขันได้ด้วยเหตุเงื่อนไขปัจจัย มีการเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยสิ่งนั้นคือทุกข์ถูกบีบคันได้อะไรก็ตามในตรงฝั่งที่อยู่ในโลกเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์หมดนะที่เราเห็นได้ด้วยตาได้ยินด้วยหูสัมผัสได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเห็นได้ด้วยตาหรือไม่เห็นแต่ถ้ามันมีเครื่องมือวัดที่จะวัดได้จินตนาการความคิดนึกอะไรผ่านทางใจทั้งหมดนั่นนะ่ะเป็นทุกข์ เป็นสิ่งที่อยู่ในสภาวะที่ถูกบีบขั้นเพราะเงื่อนไขปัจจัยต่างๆเอาแค่ว่าเรารับรู้ได้นั่นแล้วมันเป็นทุกข์แล้วเพราะอะไรเพราะมันอาศัยเงื่อนไขไงเพราะมีเสียงมีหูถ้ามันมีคําว่าเพราะนี่นะคือมันเป็นทุกข์เลยฟันทงเฮ้ยท่านทําไมถึงว่าอย่างนั้นก็ถ้ามันมีคําว่าเพราะนี่ไม่ใช่ว่าเปรอะเพราะปริงนะทุกฝัง่ง ถ้ามีคาว่าเพราะนี่คือมันมีเหตุนะมันมีเหตุมันจึงเป็นอย่างนี้เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอ่านเนยมันมีเหตุอาศัยเหตุอาศัยเงื่อนไขปัจจัยโนู้นเลยฟันรงเป็นทุกมีสภาวะบีบคันในสภาวะบีบคันเนี่ยท่านจึงแยกออกแยกออกว่าถ้าบีบคันแล้วทำให้ความเพลินลดลงตันแย่งออกไปเลยนั้นคือส่วนที่เป็นมรค ถ้าบีบคั้นแล้วทำให้ความเพลินมากขึ้นนี่แยกออกมาเลยนี่คือตันหาแล้วอะไรที่มันอยู่ในสปาว่าบีบคั้นได้ทั้งหมดโดยรวมทั่วทวไปก็รียว่าตัวทุกจึงแยกออกเป็นสี่ส่วนไงท่านฟังอริยสัจสีทนจึงเรียกสปวาวะที่ไม่ถูกบีบคั้นก็คือความบีบคั้นมันหายไปใช่ไหมละ่ะจึงเรียกว่าทุกขานิโรธอริยสัจนิโรธคือความดับ ดับของไอ้สภาวะที่ถูกบีบคั้นเนี่ยความจริงปรเสดเนี่ยทุกขานิโรธอาอริยสัจหรือไอ้สิ่งที่มันจะทําให้สภาวะการบีบคัน้นมันลดลงปฏิปทานี้การทําแบบนี้ก็จึงเรียกว่าทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจหรือลักษณะการกระทําที่ทําให้การถูกบีบคั้นเข้าไปอยู่ในสภาวะเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนี่มันเป็นเหตุของความทุกข์จึงเรียกว่า ทุกขะสมุทัยอริยสัต์แล้วความที่ถูกบีบคั้นโดยทั่วไปเป็นที่ตั้งของความบีบคั้นตั้งหลายก็เรียกว่าทุกขอริยสัตว์ามาเรียงใหม่ถึงเรียงเป็นทุกขะสมุทัยนิโรธและมักเมื่อนสุครุนีข้าพเจ้าพูดจากนิโรธมามักมาทุกขแล้วก็มาสมุทัยใช่ไหมนี่ท่านเรียงใหม่ เอาสิ่งที่เห็นชัดเจนขึ้นมาก่อนนั่นคือทุกขาริีสันคือสภาวะที่มันถูกบีบคั้นเห็นได้ชัดเจนสิ่งที่ทําให้เราเข้าไปอยู่ในสภาวะที่ถูกบีบคั้นนั้นคือทุกข์สมุทยัยนั่นคือตัณหาเข้าใจกันให้ชัดเจนว่าถ้าถูกประตูนหนีบมือนิ้วเจ็บนั่นไม่ใช่ทุกแบบนั้นแต่ความที่นิ้วมันเจ็บได้ตัณหากนั่นแหละ มันคือทุกคือสภาวะที่มันถูกบีบคั้นไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามสิ่งที่ทำให้เราเข้าไปอยู่ในสภาวะนั้นได้มันคือตัณหาความอยากหมายถึงความเพลินความพอใจความพอใจทั้งที่ใช่ความพอใจทั้งที่ไม่มีความเพลินความพอใจนั่นคืออุปท า, านเราจึงเอาสิ่งนัน้นเป็นตัวทุกของเราแต่สภาวะหมายถึงสถานะ ที่เราจะพ้นจากตรงนี้ได้คือไม่เอาสิ่งที่มีสภาวะเป็นทุกข์นั้นมาเป็นตัวเราของเราเนี่ยมันมีอยู่ทันเริ่องวานิโรธคือความดับทางที่จะไปอยู่ในสภาวะที่จะไม่ถูกบีบขั้นอย่างนั้นนั่นคือมรรคคือหนทางเป็นกระบวนการเป็นวิธีการปฏิบัติมีองค์ประกอบอันประเเริฐแปดอย่าง ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสองอย่างนี้คือปัญญาได้แก่สัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสามอย่างนี้คือศีลได้แก่สัมมาวายามะสัมมาสติและสมมาสมาธิสามอย่างนี้คือสมาธิรวมกันเป็นศีลสมาธิปัญญาโดยมีศีลเป็นพื้นฐาน การทำตามศีล น, นั้นได้ความเพียรเรามีแน่นอนสติเรามีแยกแยะแน่นอนปัญญาเรามีแน่นอนให้เห็นว่าอะไรถูกอะไรผิดเรามีศีลสมาธิปัญญาก็มีส่วนหนึ่งมีศีลแล้วเรามาเพิ่มพลังจิตสมาธิเพิ่มสติปัญญาก็เพิ่มขึ้นอีกหน่อยหนึ่งมีสติแล้วสติละเอียดลงไปอีกปัญญาก็เพิ่มขึ้นไปี เรามีสมาธิและวิปัสสนาเหยียงคู่กันไปสองอย่างพอดีพอได้สมดุลกันในลักษณะที่จะไม่ให้จิตกเรานั้นเกิดความเคยชินใหม่อันเป็นผลของความเพลินฟังให้ดีนะจิตกเรานี่มันเป็นลักษณะความเคยชินที่เกิดจากความเพลิน ที่จิกรลก็ไปเปลือนตามสิ่งต่างๆทั้งที่ใช่ทั้งที่ไม่มีความเคยชินใหม่ๆเกิดขึ้นจากความเปลืนผัสสะอะต่างที่มากระทบแล้วเกิดความเปลือนความพอใจความเคยชินก็สร้างขึ้นใหม่สร้างขึ้นใหม่ถ้าสร้างจากสิ่งที่พอใจแบบใช่ก็เป็นราคานุสัยแต่สร้างจากสิ่งที่เป็นความเปลืนความพอใจแบบไม่หรือไม่ชอบก็เป็นปฏิการนุสัย หรือถ้าสร้างจากความที่ไม่เข้าใจก็เป็นไปตามธรรมชาติทั่วไปไม่รู้นั่นก็เป็นอวิชานุสัยอนุสัยก็เกิดจะแบบเป็นความเคยชินแล้วก็ดำรงอยู่กันไปเมื่อวานนี้ก็มาเป็นวันนี้ปีที่แล้วก็มาเป็นปีนี้อาทิตย์ที่แล้วก็มาเป็นวันนี้เมื่อตะกี้นี้ก็มาเป็นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แล้มนก็ต่อไปอีกต่อไปอีกเป็น ต่อไปข้างหน้าไหมเป็นอาทิตย์หน้าเป็นปีหน้าเป็นชาตินาก็ได้ความต่อเนื่องหมายถึงสันตติของสิ่งต่างๆมันจึงเป็นแบบนี้นเรือว่าเป็นกระแสไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆกระแสนี้ไม่มีจบนะทุกฝังเริ่มมาตั้งแต่นู้นนู่นเนี่ยก็ไม่รู้เมื่อไหร่หาที่ต้นไปเจอตื่นไปจบที่โน่น โน่นก็มาไรลหาที่ปลายไม่เจอเพราะมันเป็นวงกลมหมุนไปเป็นวงวัตจักรท่านจึงเรียกว่าวัตตะวัตตะหมุนไปเรื่อยๆในระหว่างที่หมุนไปเนี่ยก็พอใจแบบที่ใช่พอใจแบบที่ไม่เป็นการต่อเนื่องเป็นสันตติเป็นวงไปเรื่อยๆทุกบ้างสุขบ้างก็อยู่ในสมาวะที่ถูกบีบคั้นตลอดถูกบีบคั้นตลอด บีบคั้นแบบให้ทุกบ้างเห็นได้ชัดเจนบีบคั้นแบบที่สุกบ้างเห็นได้ไม่ชัดเจนทุกบีบอยู่ตอลอดนี่ภาษาอีสานก็เลยขั้นสม้มจนมันเปรี้ยวแล้วจนมันเน่าแล้วจนมันมันโอ้โหมันนุ่มแล้วนะเราทุ ก, กันมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันพอแรงแล้วดูฟังเลยทุ ก, กันมากยิ่งต่อไปเนี่ยยิ่งทุกมาก คือมันทุกมากมานานแล้วเดิไม่ใช่แค่ว่าออปัจจุบันนี้โอ้โลกอยู่ยากขึ้นทุกวันมีทุกมากโนมันมากมาตั้งนานแล้วต่อไปก็ยิ่งจะมากต่อไปอีกมันจึงไม่ใช่ว่าเอองั้นรอเดี๋ยวให้การเงินดีก่อนหรือว่ า, อาเรียนจบก่อนหรือว่ากเกษียณก่อนหรือว่าขอเปลี่ยนงานก่อนคือถ้ายิ่งต่อไปเนี่ยนะ มันก็ยิ่งจะมีแต่มากขึ้นละมากขึ้นเขาเดี๋ยวนี้ตัวหวังเมือนเวลาเขาสอนการลงทุนนะเขาอธิบายเรื่องดอกเบีย้ยทบต้นนะ compounding interest นี่โอ้เงินคุณต้องเริ่มเร็วอ เ, เอแล้วฉันเพิ่งจะมาเริ่มทำยังไงอ่ะวันที่ดีที่สุดในการเริ่มเนี่ยนะมันคือเมื่อวานนี้เริ่มเก็บเงินนะ่ะเริ่มลงทุนนะ่ะนี่เป็นอุปมานะังังเป็นอุปมา วันที่ดีที่สุดในการลงทุนเนี่ยเป็นเมื่อวานนี้วันที่ดีที่สุดรองต่อมาเนี่ยคือวันนี้เพราะฉะนั้นเราพลาดโอกาสที่ดีที่สุดไปแล้วนะตีจะลงทุนใช่ปะวันนี้นี่นี่ น, นี่เป็นวันที่ดีรองลงมาลงทุนวันนี้ลงทุนนี้คือม่ยถึงว่าให้คุณเก็บเงินให้คุณรู้จักออมให้คุณเข้าใจเรื่องคอนเซปต์ุณดอกเบี้ย ต, ต้น น, น, ปปนี้เป็นอุปมานี้เป็นอุปมาอุปมาอีมาเปรบเทียบ เราเทียบกลับมาว่าทุกเราเนี่ยทุกมานานแล้วถ้าเราคิดว่าเออเราจะค่อย้นทุกวาระข้างหน้ากเกษียณตอนแก่หรือเรียนจบหรือลูกโตก่อนเอาข้างหน้าค่อยเอาข้างหน้าเนี่ยมีแต่จะแย่มากขึ้นมีแต่จะทุกมากขึ้นเพราะมันบวกหนึ่งตลอดบวกหนึ่งตลอดสะสมอยู่ตลอดสะสมอยู่ตลอดดันกันไปตลอด ดันกันไปตลอดเป็นกระแสต่อเนื่องเป็นสันตติกันไปตลอดตลอดมีแต่จะเพิ่มมีแต่จะเพิ่มทุกไม่มีลดนะทวกฝังมีแต่จะเพิ่มถ้าเราบอกว่าจะให้รอมันทุกน้อยกว่านี้หน่อยแล้วถึงจะค่อยแก้ทุกมีแต่จะเพิ่มพูดยังไงมันจะมีแต่จะแย่ขึ้นมีแต่จะหนักหน้าบ่ายขึ้นมีแต่จะแย่ลงมีแต่จะพัฒนาลงไม่มีมันจะดีขึ้นวันที่แย่น้อยที่สุด คือวันนี้ตัมบอกฟังวันที่จะแก้ทุกข์ได้ดีที่สุดที่ว่าเราจะมีทุกข์ได้น้อยที่สุดคือวันนี้เท่านั้นเองเราทําวันเนี้ยให้มันดีทําให้มันดีโดยการตั้งสติไว้ให้มันได้ตั้งสีเอาไว้ให้มันได้โดยการที่มีศีลเป็นพื้นฐานก็เลยมาอย่างไงแปดอย่างเอมากเกินไปทไําไงเอาสามอย่างบ่อพอจําได้ศีลเป็นพื้นฐาน สมาธิยังทําไม่ได้ทำไงเอาสติอย่างเดียวอ่ะสติตั้งไว้อย่างหยับหยาบเ อ, อยยาพอแยกแยะได้หรือก็ไปก็เกิดสมาธิเกิดปัญญาวันที่ดีที่สุดในการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องไปรอเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมหรือว่าเออฟังเทศครูบาอาจารย์หรือว่าเอาเคคาา อ, เอค่อยผ่านงานนี้ไปก่อนตอนนี้แหละทำฝังมันดีที่สุดเพราะว่าถ้าตอนนี้เราไม่เลือกให้ดีความทุกเรามีแต่จะมาขึ้น สะสมขึ้นสะสมขึ้นเพราะมันเป็นการทับถมเป็นการสะสมแต่ถ้าวันนี้ตอนนี้เราเลือกให้ดีความทุกข์เรามันจะลดลงไปคนละทางทางที่จะให้ทุกข์เพิ่มขึ้นมันคือทางเพลินทางเผลอทางประมาทแต่ถ้าทางวันนี้ตอนนี้เราเลือกว่าเออฉันจะมีสติฉันจะเห็นตามความเป็นจริงจะไม่เผลอไม่เผล อ, อ่ะทุกข์คุณลดลง ท, งทันดีคุณไปอีกทางทันดี ความทุกข์ก็จะลดลงความเคยชินก็จะถูกรื้อถอนเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งสะสมสะสมมือกันนะสะสมสิ่งดีหมายถึงรื้อถอนการสะสมสิ่งไม่ดีเดิมสะสมสิ่งดีคือคุณปฏิบัติตามมรรคแปออกจากสภาวะที่จะไปอยู่ในการบีบกัร น, นั้นอย่าไปอยู่ในสภาวะบีบการนั้นด้วยการปฏิบัติตามมรรคแลแล้วไอ้สิ่งที่สะสม ให้เราเกิดทุกข์มีแต่จะมากขึ้นมากขึ้นนั้นความสะสมนั้นมันจะลดลงอาสมัตจะถูกลอกออกถอนออกกาจัดออกจะถูกทําความสะอาดนั่นเองจิตเรามันก็จะแจ่มใสขึ้นแจ่มใสขึ้นแจ่มใสขึ้นเนี่ยก็คือปัญญาจะเกิดปรากฏปัญญาจะเกิดปรากฏมันก็จะละวางกําจัดความยึดถือได้เป็นขั้นเป็นตอนที่ความยึดถือนมันมากมันเยอะมันหนาเนี่ยนะ มันหลายชั้นเนี่ยก็เริ่มจากลอกชั้นแรกๆโอ้ยเหนื่อยนักเยอะยากเดี๋ยวค่อยทำไม่มีาำฝังมีแต่จะมากขึ้นมีแต่จะหนักขึ้นทูกเนี่ยนะทำทำวันนี้ทำทำเดี๋ยวนี้ทำทำปัจจบุบันนี้เป็นต้องรอข้างหน้าทำเดี๋ยวนี้วันนี้ทีละน้อยเช็ดทีละน้อยเชดทีละน้อ ย, ยละน้อ ย, อยเดี๋ยวมันค่อยหมดไปได้ ไปตามทางที่มีองค์ประกอบอันบริสุทธิ์8อย่างด้วยการเข้าใจเรื่องถุกนั่นเองทุกขสัญญาตัวบงังหมายถึงความหมายรู้ให้ถูกในทุกเนี่ยมันจะงปปัญญาไงเป็นปัญญ า, เ ป, ปญญาเป็นปัญญาที่เรารอบรู้เป็นอริยสัจเรื่องทุกอริยสัจเรื่องทุกเป็นสิ่งที่เราต้องรอบรู้คือมีความเข้าใจเข้าใจแล้วยอมรับมันยอมรับมันแล้ว อยู่กับมันได้อยู่กับมันแบบไม่ทุกข์นะเราอยู่ในสภาวะที่ถูกบีบคั้นอยู่ก็จริงแต่เราไม่เอาตัวเราไปอยู่ในสภาวะที่ถูกบีบคั้นนั้นหมายความว่าไม่ใช่ว่าประตูจะไม่หนีมือนะแต่ประตูหนีบมือแล้วเรามีทุกขเวทนาแล้วใช่มถ้าเราไม่เอาตัวเราไปอยู่ในสภาวะที่ถูกบีบคั้นนั้นจิตเรามีมรรคแปด คืศีสมาธิและที่สำคัญคือปัญญาเราจะไม่วุ่นวายไปตามทุกขเวทนานั้นเราจะยังเป็นผู้ที่อยู่ผาสุขได้แม้มีทุกขเวทนาคือการถูประตูหนีมือเป็นต้นเกิดขึ้นอยู่ผาสุขแม้มีทุกขเวทนาถ้าเรฟังฟังคำนี้และให้มันซิงยินลงไปให้มันซึมทราบซึมลึกลงไป เราจะอยู่อย่างผาสุขแม้ในคราวที่เกิดทุกขเวทนาหรอไม่ว่าทุกขเวทนานั้นจะมาจากโรกภคภัยไข้เจ็บปัญหาการเงินปัญหาการงานปัญหาการเดินทางอย่างั้นหรอซึ่งพวกนั้นคือสภาวะที่มันมีการบีบคัุ์อยู่แล้วถูกไหมละ่ะเราอยู่ผาสุขได้ในทุกนั้นได้ด้วยการยอมรับมัน อยู่ก็มันว่าเออมันเป็นอย่างงี้ละ่ะไม่ใช่ว่าเราจะไปปฏิเสธทุกนะถ้าปฏิเสธทุกหนึ่นคือความเปลินเพลินแบบไม่เอาไงพอใจแบบไม่ใช่อ่ะอฮ้ยก็พูดกันมาตั้งนานแล้วว่าถ้าเป็นอย่างนั้นคือคุณก็เอาทุกมาเป็นของตัวหินหนักถืออยู่จำเป็นไงวางหินลงสิน้ําหนักหินมันลดลงเหรอถ้าเราวางหินลงน้ําหนักหินมวลมันก็เท่าเดิม หินเนไม่ได้เปลี่ยนน้าหนักเลยนะแต่ว่ามันอยู่คนละที่เท่านั้นเองมันอยู่บนหัวเราเราก็หนักกดีมันอยู่บนดินน้ําหนักมันลดลงไหมไม่น้ําหนักมันเท่าเดิมแต่ดินก็บ่นแล้วปะดินก็ไม่บ่นอะไรเลยหินอยู่บนดินดินไม่บ่นอะไรหินอยู่บนหัวเราเราบ่นว่าหนักพอหินไม่อยู่บนหัวเราอยู่บนดินเราก็ไม่บ่นว่าหนักแล้วดินเขาก็ไม่บ่นด้วยเหมือนกันนะเพื่อน เราไม่ได้ว่าจะป้องกันว่าเอออยาให้มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ถ้ามันเป็นสภาวะที่มันบีบคั้นทุกขเวทนายังไงก็เกิดขึ้นได้หินยังงมันไม่ได้เบาลงมวยมันเท่าเดิมแต่อยู่คนละที่ต่างเองต่างคนต่างอยู่ยอมรับมันได้อยู่กับมันได้เพราะไงต่างคนต่างอยู่อยู่เป็นแบบอยู่ด้วยกันอะแต่ต่างคนต่างอยู่ที่มันมาเชื่อมกันเพราะอะไรปัญหา เราอย่าเอาตัวเราไปอยู่ในสภาวะที่ถูกบีบกันนั่นคือมีความอยากเราจะแยกได้ด้วยปัญญาให้เห็นด้วยปัญญาว่าไงมันเป็นของมันอย่างนี้ล่ละเห็นด้วยปัญญาแล้วไงก็อยู่กันได้อยู่กันยังไงต่างคนต่างอยู่ยังไงนะมีปัญญากั้นเอาไว้ให้เห็นด้วยปัญญาว่าเออสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นอย่างนี้ล่ละทุกมันเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นได้ดไปได้ แล้วเราอยู่ไงนะอยู่ด้วยปัญญานะไม่ใช่ว่าต่างคนต่างอยู่เนี่ยคเนี้มันจะเหมือนถึงว่าอาจจะมีโมหะก็ได้ใช้คำให้ถูกต้องชัดเจนรัดกุมบทเพียนชนะของพระพุทธเจ้าก็คือรอบรู้เรื่องทุกยอมรับมันได้ยอมรับทุกได้อยู่กับทุกโดยไม่ทุกไงอยู่กับทุกขโดยไม่ทุกด้วยปัญญาไงอยู่กับทุกโดยไม่ทุกด้ว ย, ป, ญญ ย, ย, วยปัญญามันแยกจากกันปุ๊บ เราจึงมีความผาสุกได้แม้มีทุกขเวทนาธรรมบุฟังฟังคํานี้แล้วให้ซึง้งซิงอินลงไปนะอยู่ยังผาสุกได้แม้มีทุกขเวทนาต่างคนต่างอยู่อยู่กับสวาบาั ท, ที่ถูกบีบคั้นนั้นด้วยสติปัญญาเราจึงอยู่แบบผาสุกได้นั่นเองธรรมบุฟังวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้ของพระพุทธเจ้านี่ยท่านบอกว่าสามารถทําได้ทุกคน ไม่ว่าคุณจะมีเงินจ่ายค่ายาหรือไม่ไม่ว่าคุณจะสามารถเดินทางได้หรือนอนอยู่กับเตียงไม่ว่าคุณจะเดินทางหรืออยู่เฉยๆไม่ว่าคุณจะขับรถสูนตัวหรือขึ้นรถโดยสารไม่ว่าคุณจะใส่ส้นสูงหรือเดินเท้าเปล่าไม่ว่าคุณจะขี่จักรยานปูโรทั่งหรือว่าขับรถหรูทำได้หมดทุฝังอยู่ในสปาว่าไหนก็ทำได้ ไม่จำเป็นต้องรอให้ทุกเนี่ยมันน้อยก่อนทุกมีแต่จะเพิ่มขึ้นความยึดถือมีแต่จะมากขึ้นเราทำวันนี้ปฏิบัติตอนนี้ทุกเรามีแต่จะลดลงหมายถึงสภาวะที่เราจะไปอยู่ในความบีบคั้นนั่นะมันจะเบาบางลงและในตอนท้ายของรายการนี้จะให้ฟังประชุดเรื่องราวที่เกี่ยวกับการปฏิบัติในการพิจารณาเห็น ทุกคือสภาว่าความบีบกันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดังนี้ว่าพิกษุทั้งหลายเราจะแสดงปฏิปทาอันเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานแก่พวกเธอพวกเธอจงฟังจงทําในใจให้ดีเราจะกล่าวก็ปฏิปทาอันเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานนั้น เป็นอย่างไรเล่าคือภิกษุในกรณีนี้ย่อมพิจารณาเห็นซึ่งตาคือจักสุว่าเป็นทุกย่อมเห็นซึ่งรูปทั้งหลายว่าเป็นทุกย่อมเห็นซึ่งการรู้แจ้งต่างตาคือจักสุวิญญาณว่าเป็นทุกย่อมเห็นซึ่งภัษธะทางตาคือจักสุสัมผัสว่าเป็นทุก ยอมเห็นซึ่งเวทนาที่เกิดจา ก, จากสั ksu สัมผัสนั้นอันเป็นสุกตามเป็นทุกขตามหรือไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุกตามว่าเป็นทุกย่อมเห็นซึ่งหูคือโสตะว่าเป็นทุกข์ย่อมเห็นซึ่งเสียงทั้งหลายว่าเป็นทุก์ย่อมเห็นซึ่งการรู้แจ้งทางหูคือโสตะวิญญาณ ว่าเป็นทุกย่อมเห็นซึ่งสัมผัสทางหูคือโสตสัมผัสว่าเป็นทุก์ย่อมเห็นซึ่งเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางหูเป็นปัจจัยอันเป็นสุขตามเป็นทุกขตามไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขตามว่าเป็นทุกย่อมเห็นซึ่งกลิ่นและจมูกย่อมเห็นซึ่งรส และลิน้นย่อมเห็นซึ่งกายและโพธพระว่าเป็นทุก์ย่อมเห็นซึ่งใจคือมโนว่าเป็นทุกย่อมเห็นซึ่งธรรมารมทั้งหลายว่าเป็นทุกย่อมเห็นซึ่งมโนวิญญาณคือการรู้แจ้งต่างใจว่าเป็นทุกขย่อมเห็นซึ่งมโนสัมผัสคือพันธะทางใจ ว่าเป็นทุกข์ย่อมเห็นซึ่งเวทนาที่เกิดขึ้นจากสัมผัสทางใจอันเป็นสุก็ตามเป็นทุกข์กตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข็ตามว่าเป็นทุกข์พิสุทริ์ตลนี่แหละคือปฏิปทาอันเป็นที่สบายต่อการบรรลุนิพพานนั้นพิษุรธิ์ตลพราเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่ายอย่างไร ตาคือจักสุขที่เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงปรชาาิชก้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเราเป็นทุกข์ปรชาาิชก้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่ควรตามเห็นอย่างนั้นพระโชก้าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรใจคือมโนเที่ยงหรือไม่เียงไม่เที่ยงพระโช ก, ก้าพุกเธอจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรธรรมารมเที่ยงหรือไม่เทียงไม่เที่ยงพระโชก้า มโนสัมผัสเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าความรู้สึกอันเป็นสุกตามเป็นทุกขตามไม่ใช่ทุกขไม่ใช่สุกตามที่เกิดจากมโนสัมผัสนั้นเป็นปัจจัยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกขหรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกพระเจ้าข้า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควแล้วหรือหนอะที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่ควรตามเห็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าข้าพิจารณาไรลอริยะสาวกผู้มีการสลับเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่าย แม้ในจักสุเบื้อนายแม้ในรูปยมเบื้อนายแม้ในการรู้แจ้ง่างตาย่อมเบื้อนายแม้ในมโนคือใจนั้นยมเบื้อนายแม้ในธรรมารมณ์ย่อมเบื้อนายแม้ในความรู้สึกอันเป็นสุขตามเป็นทุกข์ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขตาม ที่เกิดขึ้นจากสัมผัสนั้นเป็นปัจจัยเมื่อเบอร์นายย่อมคลายกำหนัดเพราะความคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าชาติสิ้นแล้วพรมาจันร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสาเร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้มิได้มีอีกพิสุทธิลายนี่แหละคือปฏิปทาอันเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานนั้นการพิจารณาแบบนี้ตัวังทำได้ทุกที่ทุกเวลาให้ตัวฟังใคร้ครวรเกิดสติปัญญาในการทำในการปฏิบัติทำให้อยู่อย่างต่อเนื่อง ในช่วงของจิตวิเวกทุกวันอังคารทุ่มฟังที่เราจะมาฝึกปฏิบัติให้เกิดปัญญาให้เกิดสมาธิให้เข้าถึงความวิเวกแห่งจิตของเราชนิดที่เป็นรูปแบบในทุกวันอังคารทางสถานีวิทยุกระจายสิ่งแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาตี 5-6 ถึงโมงเช้าหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่าง แต่สามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ได้ปัญญา o r g p a n y a o r g รายการนี้ผลิตโดยมูลนิธิปัญญาภาวนามีข้าพเจ้าพระมหาไปบู์อาภิปุณโณเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุิญพร